่วานก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะว่าที่นี่เนี่ยมีอาจารย์นะมากมายไม่ใช่มีแค่เพื่อนร่วมปฏิบัติเท่านั้นอาจารย์ที่เป็นคนเป็นมนุษย์ก็มีมากที่เป็นธรรมชาติก็ไม่น้อยเล ย, ยเช่นดอกบัวใบบัว หรือว่าต้นไม้นะสูงใหญ่ยังมีมากกว่านั้นอีกนะธรรมชาติที่เป็นอาจารยนะ์ที่น่าศึกษาอย่างนี้คือกบนะที่นี่ปกติเนี่ยเช้ามืดนี่จะจะเห็นกบอยู่กลางทางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละไม่ทราบเป็นเพราะว่า ฝนมันน้อยหรือยังไงแต่ถ้าเป็นที่พูหลงเนี่ยอย่งางเรไปธรรมาชาติก็อาจจะเห็นกบมันอยู่กลางทางกบเนี่ยดูมันนิ่งนะมันนิ่งมันก็ว่ามันหลับแต่ที่จริงมันไม่ได้หลับเลยนะมันมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเวลามีแมลงเนี่ยบินผ่านเนี่ยนะถ้า ผ่านเข้ามาใกล้เนี่ยมันสามารถที่จะตวัดลิ้นเนี่ยคว้ามแมลงใส่ปากได้อย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่อากับกิริยาของกบเนี่ยมันเชื่องช้าและทั้งทั้งที่มันดูเหมือนว่ามันนิ่งคล้ายๆกับว่ามันนอนหลับแต่มันไม่ได้นอนหลับเลยนะมันรู้ตัวมันตื่นตัว ซึ่งตรงข้ามากับคนเรานะคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่นิ่งๆ น, นะก็มักจะเผลอหลับนะหรือไม่ก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายนะการนิ่งกลายเป็นเรื่องยากนะของคนสมัยนี้และพอหาถากว่าทำอะไรไม่ได้ก็จะหลับไปเลยนะแต่ว่ากบนี่นะ เขจะรู้ตัวก็จะตื่นตัวถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆไม่เคยเลื่อนขยับเลยแต่ว่าเขาตื่นตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีสําหรับเรานงว่าทํางานเราจึงจะมีความรู้ตัวอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่นิ่งนานๆ คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่นิ่งเมื่อไหร่ก็หลับแต่ถ้าขยับเมื่อไหร่นะก็ฟุ้งนะนั่นอาจจะพูดเป็นสำนวนว่านิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นฟุ้งนะขยับคือพอตื่นตัวหรือพอรู้สึกตัวอ่าพอตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยขยับเนื้อขยับตัวนี่ก็ฟุ้งแล้ไอ้ฟุ้งนี่ไม่ได้ว่ารู้สึกตัวนะเราสังเกตตัวเราเองก็ได้นะถ้าเกิดว่านิ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นหลับนะ พอขยับเมื่อไหร่ก็ฟุง้งแต่ว่าการที่เรามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยแม้ว่าอาจจะยังไม่มีสติมากเท่าที่ควรแต่ว่าการที่เราขยับเมื่อขยับตัวยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกตัวได้มากขึ้น ตะกอนนี่ขยับเป็นฟุ้งนะแต่ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยมาแทนที่ความฟุ้งถึงแม้ว่าใหม่ๆนี่มันยังฟุ้งยเยอะๆนะแต่ถ้าเราทาไปทาไปความรู้สึกตัวก็จะมาแทนที่ความฟุ้งแต่ว่าถ้านิ่งมาหลายนี่ก็เป็นหลับนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่น้อยเนี่ยขอให้เราเก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งจากเดิม นิ่งเป็นหลับขยับเป็นฟุ้งนะก็เป็นนิ่งเป็นหลับนะขยับจริงรู้สึกนะรู้สึกนี้นี่คือรู้สึกตัวนะให้มันได้ตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่าเวลานิ่งนะจะหลับก็ตามนะอันนี้พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะมันก็จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะก็คือว่านิ่งก็รู้สึกนะขยับก็รู้สึก นักปฏิบัน n ี้เราต้องกล้ามาถึงจุดนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ให้มาตรงขั้นที่สองก่อนหน้าคือว่าแม้จะนิ่งเป็นหลับนะแต่ว่าขยับก็รู้สึกละไม่ฟุ้งนะแล้วต่อไปต่อไปความรู้สึกตัวก็จะมีมากขึ้นนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าขยับก็รู้สึกตัวนะนิ่งก็ยังรู้สึกได้ อันนี้บางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะเวลาขยับยกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็รู้สึกตัวแต่พอไม่ยกมือเมื่อไหร่พอไม่ยกมือเมื่อไหร่อย่างเช่นนั่งฟังธรรมะเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆค่อยๆตาคกค่อยหลับค่อยๆหลับแล้วก็กกกเป็นสรรับสงบไปเลยเนะอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติยังไ ม, ไม่ไม่ไม่ก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าจะขยับถึงรู้สึกตัวเท่านั้นน นิ่งก็รู้สึกตัวด้วยใหม่ๆแล้วก็สายการยกมือนี่แหละนะเป็นการปลูกความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เราก็ต้องระวังนะอย่าไปติดกับการยกมือสร้างจังหว ะ, ะการยกมือสร้างจังหวะถ้าเราติดแล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการอยู่สองแบบอันแรกคือว่ายกมือจนเคยชินยกมือสร้างจังหวะจนเคยชินบางคนเนี่ยคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมา เพลยกมือสร้างจังหวะไอ้ที่ยกมือนี่ไม่ใช้ทำเพราะรู้สึกตัวแต่ทำเพราะความเผลอเพราะว่ายกมือจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเป็นความเคยชินคุยกับเพื่อนนี่ก็ยกมือนะมารู้ตัวไอ้ที่อ่ะเราเรเพลยยกไปละเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหรือบางคนเดินไปก็ยกมือไปเดินไปก็ยกมือไม่ใช่ยกมือด้วยความรู้ตัวนะยกมือเพราะไม่รู้ตัวเผลอเพราะว่ายกมือจนชิน เรายกมือเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อขับไล่ความหลงออกไปแต่ความหลงมันก็ฉลาดนะมันก็หาทางที่จะเล่นงานเราแม้กระทั่งไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกความรู้สึกตัวเช่นการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาทำให้การยกมือนั้นกลายเป็นความหลงก็มีนะแทนที่เราจะยกมือแล้วเกิดความรู้สึกตัวกับกลายเป็นว่า เหลอไปหรือว่าทํายกมือสร้างจังหวะด้วยความหลงนะความหลงนี่มันมันฉลาดมากนะแม้กระทั่งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความรู้สึกตัวมันก็เอามาใช้เพื่อทําให้เกิดความหลงได้นะอันนี้ก็เรียกเป็นความความติดการติดในการสร้างจังหวะนะทำให้ทําไปโดยไม่รู้ตัวนะบางทีนั่งเล่นนั่งเล่นเล่นไป คิดไปอะไรเพลินๆ เ, เดี๋ยวยกมือแล้วนะไม่ใช่ยกมือด้วยความรู้ตัวนะแต่ว่าทําด้วยความเผลออันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งคือว่าจะมีความรู้สึกตัวก็ต่อยกมือต่อเมื่อยกมือพอไม่ยกมือเมื่อไหร่เนี่ยไอความรู้สึกตัวที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปหายไปแไอบางทีนั่งฟังเทศอยู่นะต้องยกมือถึงจะรู้สึกตัวพอลองไม่ยกมือ สักพักนะไความรู้สึกตัวที่เก็บสะสมค่อยๆเลือนหายไปเสร็จแล้วก็กลายเป็นง่วงนะจะหายง่วงได้ต้องยกมือต้องขยับก็แสดงว่ายังไม่ได้ก้าวหน้านะก็คือว่ายังมาอยู่ตรงจุดที่ว่านิ่งเป็นหลับนะขยับถึงรู้สึกนะใ น, นปฏิบัติเราต้องไปถึงขั้นว่านิ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกนะถึงแม้เราไม่ยกมือเราอยู่นิ่งๆเราก็มีความรู้สึกตัวได้ หือว่าเรายกมือสร้างจังหวะไปสักพักในความรู้สึกตัวที่ได้จากการยกมือก็สามารถจะอยู่ได้นานอย่างเช่นยกมือไปสัก10นาที20นาทีความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถที่จะจะอยู่กับตัวเราแม้อยู่นิ่งๆไปยี่สินาที30นาทีก็ย ม, มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่ไปยกมือไป10นาที20นาทีพอหยุดยกพอไม่ยกมือนิ่งเนี่ยก็รู้สึก ผ่าไปสักห้านาทีก็สับประงกแล้วผ่าไปสิบนาทีก็ง่วงแล้วอันนี้มันเหมือนกับแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีนะมันมีไฟฉายประเภทที่เรียกว่าไขาลานละนะเราหมุนเราหมุนลานเนี่ยสักห้านาทีเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ดีๆนะไฟรถไฟฉายดีๆเนี่ยเราหมุนลานไปสักห้านาทีมันก็จะมีไฟใช้ได้ครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเต็ม นะอันนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีนะหมุนลานไปสิบนาทีปรากฏว่ามันเก็บไฟได้แค่ห้านาทีเปิดไฟได้ห้าทีก็ดับแล้วก็ต้องหมุนใหม่หมุนไปสิบนาทีมันสว่างแค่สามนาทีแล้วก็ดับไปแล้วอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับนักปฏิบัติบางคนเนี่ยนะยกมือสร้างจังหวนะไปครึ่งชั่วโมงพอหยุดยกอยู่นิ่งๆห้า น, นาทีก็หลับแล้ว อันนี้ก็เรียกว่ายงเป็นก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของผู้ฝึกใหม่แต่ถ้าฝึกไปฝึกไปแล้วยังยังยังเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าอไอความรู้สึกตัวของเรานี่มันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ยกมือสร้างจังหวะไปยี่สิบนาทีพอหยุดยกมือนิ่งไปได้ทักสามนาทีห้าทีก็หลับไปละนะสับประงกไปละ อันนี้เรียกว่าอ่าต้องฝึกให้ดีนะพนเราถ้าฝึกดีๆเนี่ยจิตมันเนี่ยจิตมันจะไวแม้ไม่ยกมือสร้างจังหวะนะเพียงแค่กระพริบตาเพียงแค่คืนน้ําลายเนี่ยความรู้สึกตัวกเกิดขึ้นมาได้จริงๆแล้วจะพูดว่าคนเรานิ่งทีเดียวก็ไม่เชิงนะแม้ขณะที่เรานิ่งฟังทำมาเนี่ยไม่ได้ยกมือเนี่ยบางทีเรากระพริบตาเราคืนน้ําลาย มันมีการเคลื่อนไหวในเอเรบอร์เล็กน้อยเนี่ยมันก็ปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมาได้หรือว่าอาจจะยังรู้สึกว่าอันนั้นมันละเอียดไปก็อาจจะครึ่งนิ้วนะครึ่งนิ้วนะครึ่งนิ้วเบาๆนี่ก็สามารถจะกระตุน้นธาตุรู้หรือความรู้สึกตัวให้อยู่ได้อย่างต่อนเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าจะรู้สึกตัวได้ก็ต่อเมื่อสร้างจังหวะเนี่ยอันนี้มันก็แสดงว่าจิตของเรายังไม่ยังไม่ไวพอนะไอ้ธาตุรู้ของเรานี่มันยังมันยัง มันยังเชื่องช้าอยู่นะคือต้องกระตุกแรงๆถึงจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาต้องใช้อิเลียบทหนักๆแรงๆถึงจะมีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่พัฒนาเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าขยับแล้วฟุ้งนะเอเอขยับแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ดีแต่ว่าท่านนิ่งเราเป็นหลับนี้อันนี้ยังไม่ได้เราต้องเรียกว่านิ่งก็รู้สึกนะขยับก็รู้สึก ให้จิตของเราเนี่ยมันมีความรสึกตัวได้ง่ายนะที่จริงแม้เพียงแค่ฟังเสียงเนี่ยแค่หูอ่าเสียงกระทบหูเนี่ยมันก็เกิดการกระทบมันก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วนะเพียงแค่นี้ก็ทําให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องยกมือสร้างจังหวะให้มันแรงๆถึงจะรู้สึกนะีนี้ปฏิบัติมั่งพอปฏิบัติไปปะหยัติไปเนี่ยนะมันจิตมันจะไหวมันจะรู้สึกตัวได้ง่าย เพียงแค่ผู้ได้ยินเสียงก็รู้สึกถึงแม้อีเรียบทจะเป็นอีเรียบทนิ่งหรือว่าถึงแม้จ ะ, ะกรือน้ำลายนะกระพิษตาก็ยังรู้สึกได้นะไม่ไม่ง่วโง่หรือว่าขยับนิ้วนะดูเหมือนนิ่งนะแต่ว่าขยับนิ้วก็ทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาได้ต้องให้จิตของเรามันตื่นไวนะ ไม่ใช่ว่าต้องไปพึ่งพากับอิเลียบทสร้างจังหวะอย่างเดียวหรือว่าต้องไปพึ่งกับพึ่องอิเลียบทการเดินอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดได้เหมือนกันนะว่าเราเนิ่งเป็นหลับขยับเป็นฟุง้งหรือว่าเรานิ่งเป็นหลักนะขยับเป็นรู้สึกหรือว่านิ่งก็รูษษ้สึกขยับก็รู้สึกนะอันนี้เนี่ยก็เป็นมันก็เป็นเครื่องที่จะ วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราได้จต่สอหบผู้ฝึกใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าเราให้กายกระจายของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันการจริญสติมันก็มีหลักง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่เป็นหลักพื้นฐานข้อแรกเลยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่ใช่ตัวอยู่ศาลาแต่ใจไปอยู่ ที่บ้านใจผิวที่ทํางานใจอยู่กับลูกใจอยู่กับพ่อแม่แล้วนั้นไม่ใช่นะเวลาทําอะไรก็ตามไม่ใช่แค่สร้างจังหวะเดินจงกรมแต่ว่าอาบน้ําล้างจานกินข้าวนะการกระจายมัอยู่ด้วยกันอันนี้คือสติคือการเจริญสตินะเป็นเครื่องเป็นเครื่องวัดได้นะว่าเจริญสตินี้มันหมายความว่าอย่างไรนะ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติเราก็จะพบว่าเออถ้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะเวล า, าใจคิดนึกก็รู้ทันนะก็คือว่าเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะอันนี้ก็เป็นเป็นหลักอีกข้อหนึง่งนะ ซึ่งสืบเนื่องกับข้อแรกนะถ้ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะพอกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกและพอใจเผิดคิดนึกไปก็รู้ทันเรียกง่ายๆว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะหรือว่ารู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยกมือไม่ว่าจะเดินกินข้าวกระเด็กนิ้วครึงนิ้ว นะกับพิษตาเนี่ยอันนี้แหาะรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใจมันคิดนึกอะไรก็รู้ทันเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะเห็นด้วยใจเห็นด้วยสตินะสติมันทำให้เห็นใจคิดนึกได้นะเห็นเฉยๆนะเห็นเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะเพียงแค่รู้ว่า มันมีความปวดความเมื่อยที่กายมันมีความหงุดหงิดในใจหรือมีความยินดีนะมีความเบ่งโลดขึ้นที่ใจก็รู้มีความอยากเกิดขึ้นที่ใจก็รูนะ้ให้เรามันสังเกตนะจะใช้คำว่าสังเกตก็ได้นะสังเกตใจว่ามันรู้สึกอย่างไรใจมันมันคิดหรือมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น แต่ไม่ต้องถึงกับไปจ้องเฝ้าดูมันนะมันจะมันจะรู้ของมันเองนะแต่ใหม่ๆเนี่ยก็เอาแค่รู้กายเคลื่อนไหวก่อนนะเดีเพิ่งไปสนใจอันที่สองคือเห็นใจคิดนึกนะเพราะว่าสติของเราเนี่ยถ้ายังอ่อนอยู่เนี่ยนะมันคงไม่อาจจะรู้ทันความคิดนึกของใจได้แต่ว่ามันจะเห็นอะไรที่มันห ย, ยาบๆก่อน นะก็คือเห็นการเคลื่อนไหวของกายหรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปถึงกับไปจ้องไปเพ่งมันนะบางคนอยากจะเห็นชัดๆอยากจะรู้สึกชัดๆก็เลยไปจ้องไปเพ่งที่เท้าที่มืออันนั้นมันก็รู้สึกชัดเหมือนกันนะแต่ว่า มันจะกลายเป็นการเพ่งมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วคํามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยพูดให้เต็มย่อคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกทั้งตัวถ้าเราไปเพ่งไปเพ่งที่มือที่เท้าเนี่ยมันจะเป็นการไปเพ่งเฉพาะจุดมันจะไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปกติแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็ไม่ใช่เป็นของยากนะเวลาเราทําทำอะไรถ้าเรามีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยมันจะ เกิดวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันไม่ต้องไปบังคับจิตให้ไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้การไปเพง่งและการไปบังคับเนี่ยมันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรมธรมชาติธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะถ้ามีสติมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราจะไม่เพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อกับเวลาเราคุยกับใครเนี่ยเรามองหน้าเขาเราก็เห็นหน้าเขารวมๆเราไม่ได้ไปเพ่งที่ตาเขาเราไม่ได้ไปจ้องที่ จมูกเขาเราไม่ได้ไปจดจ่อที่ปากเขาเวลาเราคุยกับใครนะที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเราก็เห็นภาพรวมๆของใบหน้าเขาเห็นภาพรวมๆเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครเวลาเราคุยกับใครเราไม่เคยไปจ้องไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าตาเขานะถ้าชั้นไหนก็ฉันนั้นนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยใอ้ความศึกตัวทุกพร้อมเมื่อเกิดขึ้นนะอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราฟังเสียง นะเวลาเราฟังคาบรรยายนีย่เราจะเข้าใจคาบรรยายได้ต่อเนื่องเนี่ยก็โดยที่การที่เราฟังรวมๆถ้าเราไปจ้องไปเพ่งที่คาแต่ละคำแต่ละคานะเราจะฟังไม่รู้เรื่องธนะรรมชาติของใจเนี่ยนะมันจะมองรับรู้อะไรรวมๆนะมองหน้าคนรวมๆฟังเสียงเป็นประโยครวมๆนะไม่ใช่ มุ่งจดจ้องเฉพาะคำาอั น, นี่เป็นธรรมชาติและการจลน์สติแบบลูกวัเทียนเป็นการจลน์สติแบบธรรมชาติคือว่าไม่บังคับจิตไม่ใช้การไปจ้องไปเพ่งนะไม่มีการไปห้ามความคิดนะอันนี้ว่ให้จิตเนี่ยมันทำงานเป็นอิสระของมันแต่ถ้ามันจะฟุ้งนะเราก็รู้เราก็รู้นะ ไม่ใช่ปล่อยใจไปตามความฟุ้งแล้วก็ไม่ใช่ไปห้ามความฟุ้งไม่ให้หมันฟุง้งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการเพ่งแล้วเผลอก็ไม่ถูกเพ่งก็ไม่ใช่อยู่ตรงกลางๆงการเจอสเติเนี่ยหรือความรู้สึตัวเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกลาระหว่างเผลอกับเพ่งนะแต่ใหม่ๆเนี่ยเราจะเผลอก่อนแล้วพอเราไม่อยากเผลอเราก็ไปเพ่งแทนนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะ เราก็เพียงแต่รับรู้กลางๆเรารู้รวมๆอย่าไปพยายามบังคับจิตไม่ให้ไม่ให้ฟุ้งนะการฟุ้งนี่ก็เป็นของดีนะเพราะว่าเจริญสตินะความก้าวหน้าอยู่ที่ว่ารู้ทันเมื่อใจเผลอรู้ทันเมื่อใจฟุง้งนะมันเผลอคิดไปก็รู้ทันแล้วเราจะรู้ทันได้ยังไงก็ต่อเมื่อมันเผลอก่อนต่อเมื่อมันฟุ้งก่อนเราถึงจะรู้ทัน ถ้ามันไม่เผอมันไม่ฟุง้งแล้วเราจะรู้ทันความเผลอความฟุ้งได้อย่างไรนะยิ่งเผลอเท่าไหร่แล้วก็รู้ทันนะบ่อยครั้งมากเท่านั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามีสติไวขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจนะในความการที่ใจเราฟุง้งใจเราเผลอหรือว่าใจเราหลงนะเมื่อหลงเราก็รู้นะรู้ว่าหลงบ่อยๆสติก็จะดีขึ้นมาก จะเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นเรื่อยๆและมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะน้อมจิตให้อยู่กับปัจจุบันไดนะ้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะเพราะว่าไอความทุกข์ของคนเราเนี่ยก็เกิดจากการที่เราปล่อยใจเผลอไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างนะแล้วพอไปอดีตก็ไปเอาเรื่องราวที่ทําให้ ที่เป็นเรื่องความเจ็บปวดมาตอกย้ำซ้ำเติมจิตใจพอที่ไปถึงเรื่องอนาคตก็เกิดความกังวลเกิดความวิตกขึ้นมานะซึ่งมันก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้น จ, จะ่ใจใจราอยู่กับปัจจุบันนะกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจคิดนึกไปก็รู้ทันนะก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขโต้เฉพาะ ม, มีความ รู้สึกตัวได้ต่อเนื่องหน้าที่ของสติอันนึงเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับการที่เดินโดยทูนหรือโดยแบบหม้อที่มีน้ํามันเดือดเดือดอยู่บนหัวนะเรานึกภาพที่เนี่ยคนที่มีน้ํามันเดือดเดือดเนี่ยอยู่บนอหม้อที่ใส่น้ํามันเดือดเดือดอยู่บนหัวเนี่ยที่มันพร้อมที่จะล้นหรือพร้อมที่จะ ะทะลักลงมาเนี่ยจะต้องเดินอย่างระมัดระวังมากความระมัดระวังอย่างนี้แหละต้องก็คือหน้าที่ของสตินะสติมันทาให้เรามีความระมัดระวังเวลาเราทูนหม้อที่มีน้าร้อนเดือดเนี่ยนะเราจะไม่สนใจใ้เรื่องอดีตอนาคตเลยเนี่ยใจเราจ ะ, จะอยู่กับปัจจุบันมากนะ สติมันทำหน้าที่นี้แหละน้องก็เป็นหลักในการทำงานไปนหลอดในกานดำเนินชีวิตได้อย่างดีมาก เ, เมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยมันมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่าฟ e, e ิลิปฟิลิปปอร์ตีแกเป็นนักไต่ลวดแล้ววันหนึ่งแกได้ข่าวว่ามันจะมีการสร้างตึกแฝดสองตึกที่ กรุงนิวยอร์กก็คือตึก world trade center ความฝ่ายฟังของเขาก็คือว่าไปเดินไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึก2ยอดนั้น2ตึกนั้นแล้วพอตึกมาเริ่มสร้างเสร็จเนี่ยพอมันใกล้จะเสร็จแล้วนะเขาก็แอบเข้าไปในตึกนั้นตอนกลางคืนและตอนเช้าเนี่ยเขาก็ขึงเชือกให้ตึงระหว่าง2ยอดตึกโดยใช้ธนูนะ ใช้ฉนูยิงเข้าไปนะแล้วก็ผูกเชือกเอาไว้ก็ทำให้สามารถจะขึงเชือกระหว่างยอดตึกสองตึกได้ตอนนั้นมันเช้าตู่เลยนะแล้วก็ทำยังไงเขาก็พยายามที่จะตั้งความฝันคือเขาาจะเดินบนลวดที่ขึงระหว่างตึกสองตึกนี้เขามีแค่ไม้ยาวๆแล้วเขาก็เริ่มเดิน เขาเดินไปได้ไม่ท่าไหลนะคนที่อยู่ข้างล่างก็มองเห็นนะว่ามันมีคนเนี่ยเดินไต่ลวดบนยอดตึกนะก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็รีบมาทันทีเลยนะแต่ว่าฟิลิปไม่สนใจนะเขาก็เดินไปเรื่อยๆตึกนี่มันอยู่สูงจากพื้นเนี่ยสี่ร้อยเมตรนะครึ่งกิโลตกมาก็ตาย แต่ว่าเขาสามารถจะเดินด้วยใจที่สงบมากนะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งเดินข้ามตึกได้พอเดินข้ามตึกเสร็จเขาทาไงเขาพลังกลับมาแล้วก็เดินต่อไปจนอีกไปจนไ ป, ไปถึงยอดตึกอีกตึกหนึ่งตรงนั้นมีตำรวจรอเขาอยู่แล้วพอเขาเดินไปถึงถึงยอดตึกตำรวจก็จะคว้ามือเขาไว้เขาก็ พลิกตัวเขาก็กระโดดพลิกตัวกลับมาแล้วก็เด the ิน <Lay> ต <out music> ่อพี่ก็ทำอย่างนี้อยู่ประมาณ8ปดเที่ยวเดินทั้งหมดอยู่บนลวดเนี่ยี่สิบห้านาทีเป็นที่อัจจันมากนะว่าเดินได้ยังไงนะสุดท้ายพอเขาเบื่อแล้ะเขาก็ลงมาให้ตำรวจจับนะเพราะถือว่าบุลุกสถานที่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เขาเนขาบอกเี่ยที่เขาเดินนี่ก็อยากจะ เขาไม่ได้อยากเด่นอยากดังนะแต่เขาอยากจะได้รับประสบการณ์ที่ใกล้ชิดนะกับตึก World Trade แล้วก็มีคนถามเขาว่าเขาทำได้อย่างไรเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินเนี่ยมันมีแต่ตัวเขากับเส้นลวดเท่านั้นแหละใจเขามีแต่สมาใจเขาเป็นมีสมาธินะเป็นเหมือนเดียวกับเส้นลวดนะหรือเชือกนะที่ที่ไต เขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดหมายคือยอดตึกที่อยู่ข้างหน้าแต่เวลาเดินเนี่ยใจเขาคึกแค่อย่างเดียวคือว่าเคลื่อนเท้าข้างหนึ่งให้ไปอยู่หน้าหน้าให้ไปอยู่หน้าเท้าอีกข้างหนึ่งแค่นั้นหละเขาคิดแค่นี้คือยกเท้าข้างหนึ่งให้ไปอยู่หน้าเท้าอีกข้างหนึ่งเขาไม่สนใจอย่างอื่นไม่สนใจแม้กระทั่งว่าไอ้ข้างล่างนี่คืออะไร แล้วเขาบอกนี่ น, นี่คือเคล็ดลับของเขาคือว่าแค่อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นอันนี้คือการเจริญสติโดยแท้เลยนะสติคือการที่ใจยอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้และนี่เป็นเป็นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามเดินไต่ลวดได้โดยที่ไม่ตกลงมาไม่ได้สนใจอนาคตไม่ได้สนใจเป้าหมายแต่อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะ คล้ายๆกับที่พุทธเจ้าพูดถึงคนที่มีสติโดยเปรียบเทียบคนที่อ่าทูนหม้อที่มีน้ําเดือดร้อนๆจะต้องระมัดระวั ง, งนะไม่ให้น้ําเดือดน้นําเนี่ยมันน้ํำมันกระชอกลงมาบางที่ชื่อของคนเราก็คล้ายๆคนที่ตายเส้นลวดนะชื่อของคนเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ตายันเส้นลวดก็ดคือว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น การที่มีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ละขนาดแต่ละขนาดนี้สาคัญมากนะมันจะไม่ถึงกับเสีย่ยงตายเหมือนกับนายลิปนะแต่ว่าไอ้สติที่เราสติที่เราจำเป็นต้องมีเนี่ยนะมันสามารถจะช่วยทาให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันขนาดได้แม้ว่าจะมีอันตรายรอบตัวหรือว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าเพียงใดนะ แต่ถ้าเรามีสติเสร็จแล้วเนี่ยนะแต่ละขนาดแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดที่ปลอดภัยนะคนเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีความทุกข์อยู่รอบตัวถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดเทตเกิดอันตรายได้ั้นสติที่เราพยายามสร้างเสริมพยายามสั่งสมขึ้นมาจากการปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีความหมายมากนะ มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็ถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพไม่ว่าจุดหมายนั้นนะจะคืออะไรก็ตามจะเป็นจุดหมายทางโลกคือความสำเร็จทางโลกหรือจะเป็นจุดหมายทางธรรมคือการพ้นทุกข์นะเราต้องอาศัยสติที่ช่วยให้เราสามารถจะก้าวไปแต่ละขณะแต่ละขณะได้อย่างปลอดภัยนะเพราะนั้นก็ขอให้เราทําความเพียร น, นะด้วยการเห็นคุณค่าของสติที่เรา อ่าฟูิฟักแล้วก็สะสมนะในแต่ละขนาดแต่ละขนาดาคำนี้ก็ดกันท่อนนี้นะครับรบ